บัรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับการเฉลิมพระนามว่าเป็นผู้องค์อาจหรือใช้กรรมศักกะนั้นนอกจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วคือการที่ โรงบังเกิดในสักยะสกุลจึงในชอวสกัะและทรงประกอบด้วยธรรมะคืออริยศัพ์อันประเสริฐโรงยังประกอบด้วยคุณธรรมเหล่าอื่นและแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมเหล่านั้นเป็นข้อปฏิบัติที่สาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลาย เพราะความขาดความสะดุ้งความกลัวที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลย่อมเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในด้านต่างๆเช่นว่ความกลัวความเหนื่อยยากลําบากในการประกอบกิจการงานก็เป็นอุปสรรคต่อความมั่งคั่งร่ารวยความขาดต่อกัน ศึกษาแล้วเรียนลงมือประพฤติปฏิบัติขาดเก่าเขาจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาจิตใจของตนเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงหลักธรรมที่ทำให้บุคคลหายขาดกลัวไว้หลายระดับด้วยกันระดับแรกเป็นข้อปฏิบัติชั้นอนุสติถึงเป็นเพียงการสาธยาย ไม่ใช่การเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเมื่อจิตใจของบุคคลรู้สึกหวาดกลัวมีความสดุดุ้งรู้สึกขนพองสยองกล้าบังเกิดขึ้นก็สามารถที่จะกระจัดความกลัวนั้นลงไปได้ด้วยการสาธยายบทประพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณที่สวดกันเพราะเมื่อบุคคลได้ สาธยายแล้วใจซึ่งเคยนึกถึงเรื่องที่หวาดกลัวไปจะ ด, ดึงจากเรื่องเหล่านั้นไปรำลึกถึงพระกุลของพระพุทธเจา้าประธรรมประสงและด้วยอนุภาพแห่งพระัฒนาใ จ, จาก็จะก่อให้เกิดความกล้าหาญความเชื่อมั่นขึ้นภายในจิตใจของตนและภายในจิตนั้น จะมีความรู้สึกว่ามีสิ่งคุ้มครองมีผู้คุ้มครองความสงบก็บังเกิดขึ้นได้นี่เป็นเรื่องสามัญทั่วไปเทวดาตนหนึ่งได้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงว่าบุคคลปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เป็นผู้กลัวต่อปรรโลกคือกลัวต่อโลกหน้าหรือชาติหน้า ข้อ น, นี้พิงสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นกลัวต่อความตายแต่การกลัวตายก็มีอยู่หลายลักษณะด้วยกันบางลักษณะเป็นการกลัวตามสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตแต่บางคนนั้นกลัวต่อความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นก่อนจะตาย บางคนอาจจะกลัวชีวิตหลังจากที่ได้ตายไปแล้วเรีนว่ากลัวว่าตายไปแล้วตัวนั้นจะเกิดในคติในภพที่ไม่ดีมีความเดือดร้อนเป็นต้นเทวดาตัวนั้นจึงกราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าคนปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่กลัวต่อประโลกคือในกรณีที่ตายจากโลกนี้ไป พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะระดับพื้นฐานของสังคมตทั่วไปที่ทรงใช้คำว่าธรรมจรุยาคือการประพฤติธปฏิบัติธรรมะในชั้นศีลธรรมจัญญาหาความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันและชีวิตในภายพาคหน้าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นฐานให้เกิดความซองบ ที่เป็นชั้นของสมาธิตอนนี้ได้ส่งเน้นไปที่ศรัทธาคือความเชื่อมัน่นซึ่งบุคคลปลูกฝังให้อย่างลงในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเพื่อจะเป็นฐานรองรับการประพฤติปฏิบัติความดีทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเพราะถ้าหากศรัทธาตรงนี้อ่อนแอลงไปเวลาไปเจอกับธรรมะหรือองค์ธรรม ที่ทรงแสดงไว้จิตใจก็อาจจะถูกโยกครอนให้วันไวาไปด้วยความไม่รู้หรือความหลงหรือด้วยความเกียดคร้านเป็นต้นใดแต่เมื่อจิตใจของบุคคลมีความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็วจะกลายเป็นฐานรองรับไม่ให้จิตถูกโยกครอนวันไปด้วยสิ่งที่เป็นข้าสึกของจิตดังกล่าว และในการครองเรือนนั้นก็ไอ้ครองเรือนอย่างคนที่มีศีลมีธรรมะครองเรือนที่ทรงใช้คําว่ามีธรรมะอยู่ครอบครองเรือนในแก่การพฤติปฏิบัติให้ถูกตรงตามภารกิจตามหน้าที่ของตนซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นการประกันว่าจะไม่ประสบความเดือดร้อนในโลกหน้าใดเช่นการ ปฏิบัติชื่อ ท, ทรงต่อกันระหว่างสามีภรรยาการเจราจากันโดยถ้อยคำที่เป็นเรื่องของคำสัตว์คำจริงแต่ในขณะที่อยู่ครอบครบครอบครองเรือนนั้นก็ไม่กรอดปล่อยให้พวกความโกรธเป็นต้นครอบงำใจคือสรุ ป, ปง่ายๆว่าพยายามควบคุมใจเอาไว้ อย่าให้ความคิดเป็นมโนทุจริตแม้จะมีกิเลสแม้จะมีนิวรณ์หรือแม้จะมีกิเลสที่ละเอียดตลงไปกว่านั้นซึ่เรียกว่าอนุสัยแต่เนื่องจากเป็นการสดแสดงระดับศีลธรรมจัญญาประสงสอนในระดับของมโนทุจริตคือพยายามควบคุมความคิดของตนเอาไว้อย่าปล่อยให้ความโลภ บางเกิดขึ้นกรุ่มรุ ม, รมใจผลักดันใจเสียดสายใจจนใจสายไปประหยากได้วัตถุสิ่งของขอ ง, ของบุคคลอื่นซึ่งการปฏิบัติในชั้นนี้เป็นเรื่องของการควบคุมจิตใจในชีวิตประจำวันความโลภนั้นคงมีอยู่คือกิเลสสายนี้ก็คงมีอยู่ จะไม่ปล่อยให้ปริมาณของกิเลสสายนี้มากเกินไปจนถึงครอบงำใจถ้าว่าเขาควบคุมไม่ได้เช่นนี้บุคคลก็จะมองเห็นผลที่กระทบกระติด ต, ตามมาแต่การบันเทากระแสของความโลภที่บังเกิดขึ้นนั่นคือการลดความรุนแรงของนิวรณประเภทที่เรียกว่าการมชัน ปใจที่เป็นเหนียวนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจและเมื่อนิวรณตัวนี้สงบลงไปกิเลสประเภทอนุัสที่เรียกว่าการมราคะเป็นตนก็สงบต่ำไปด้วยผลจากการปฏิบัติแม้ในชั้นศีลธรรมจัน ญ, ญาแต่เป็นการเพิ่มพูนคุณธรรมเบื้องสูงให้เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความากิเล ท, ที่ละเอียดก็ลดตามลงไปและให้สามารถบรรเทาความโกรธที่บังเกิดขึ้นคืออาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจอาจจะดกิ ด, ดแต่อย่าถึงกับผูกโกรธอย่าถึงกับพยาบาทอย่าถึงกับอาฆาตเพราะจิตใจของบุคคลที่ถูกกิเลสประเภทนี้ ยึดครองจะบังคับใจของตนให้สายไปแล้วก็เหนียวคิดปรารบเรื่องราวต่างๆจนบางครั้งบางคราวก็วุ่นวายกันไปหมดพอให้เกิดความว่าวุ่นสับสนภายในใจอย่างที่ทรงแสดงถึงอาคาตวัตถุคือเรื่อง ที่ก่อให้เกิดความอาฆาตและเกี่ยวเนื่องกับความอาฆาตกระจายออกไปตามลักษณะของอารมณ์ที่เนียวนึกถึงเรื่องเหล่านั้นจะอาจจะประรบการในอนดีตว่าคนนี้ได้เคยทําอันตรายแก่เราคนนี้ได้เคยทําอันตรายกับญยับมิตรของเราคนนี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ศัตรเราเลยจะเนียวนึกไปในอนาคตการว่า คนนี้อาจจะทำอันตรายต่อเราคนนี้อาจจะทำอันตรายต่อญาติมิตรของเราคนนี้อาจจะเป็นประโยชน์แก่คนที่เป็นศัตรูของเราหรืออาจจะประรบการในปัจจุบันพาคนนี้กาลังทำอันตรายแก่เรากาลังทำอันตรายแก่ญาติมิตรของเราแลอกาลังทาสิ่งที่เป็นประโยชน์กือกูลแก่ศัตรูของเรากิเลสระดับนี้จึงบังคับใจให้ใส่ สาไปในอารมณ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเมื่อสายไปก็ก่อให้เกิดความร้าเรอนเมื่อเกิดความร้าเรอนความรุนแรงเหล่านั้นก็จะออกมาทางกายกับทางวิช า, าเป็นทุจริตดังนั้นก็ส่งสอนให้ระ ง, งับเสียในตอนต้นไม่ระ ง, งับได้ในตอนนี้บุคคลก็จะมองเห็นผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมส่วนนี้ นั่นคือปยาบาทนิวรสึงงบไปปฏิฆะที่เป็นอนุใสคือนอนสงบอยู่ภายในใจและปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งทางใจที่เป็นสังโยชน์คือเครื่องผูกใจสัตว์ก็สงบประับตามไปการปฏิบัติธรรมะในชั้นควบคุมใจธรมธรมดาธรรมดาแต่ก็เป็นเรื่องที่ควบคุมยากเมื่อบุคคลใดควบคุมได้ ผลดีก็กระทบทยอยกันเป็นลูกโซ่ไปถึงผลซึ่งจะได้จากการเจริญสมถะและวิปัสสนาโดยตรงผลที้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมจึงมีลักษณะต่อเนื่องกันอย่างนี้ในด้านของมโนทุจริตคือการละความเห็นผิดบรรเทาการ บรรทบความหลงที่มีอยู่ภายในจิตใจข้างต้นโดยใช้การศึกษาการสดับสอบฟังการเพ่งปีนิพพิจนาถ้าก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำเช่นนั้นได้ว่าใช้การสอบถามเทียบเคียงสวดสอบจากหลักฐานเหตุผลต่างๆเพื่อพยายามลดความหลงที่บังเกิดขึ้น คืออย่างน้อยที่สุดอย่าให้ถึงกับหลงทางหรือว่าหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงต่างๆมาบุกคนสามารถปันเทาลงไปได้ในส่วนนี้เป็นดันว่าปิดกั้นกระแสของทุจริตที่จะออกมาทางกายกับทางวาจาได้ใจก็เป็นใจที่มีเหตุผลมีปัญญาคุ้มครองตนได้ระดับหนึ่ง ผลกระทบที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยของกรรมฐานก็คือนิวรณ์สามข้อทีนมิทะอุทจักกุกจวิจิกิจจาสงบได้ซึ่งก็หมายความว่ากิเลสประเภทที่เรียกว่าอนุสัยคือนอนเนื่องอยู่ภายในใจและกิเลสประเภทที่เรียกว่าสังโยชน์คือผูกใจสัตว์ก็สงบตามไป จิตใจที่มีปกติเช่นนี้มีลักษณะเช่นนี้เมื่อถึงคราวที่จะใช้งานก็ทรงแสดงว่าเป็นผู้กรรมจัดมนทินคือความสนิทออกไปจากใจสำนวนบาลีใช้คำว่ารู้ถ้อยคำของผู้ขอคือหมายความว่าเมื่อมีใครแสดงความจำานงจะขอร้องให้ช่วยเหลือสงเคราะห์ จะจัดปัดเป่าปัญหาให้แก้ปัญหาให้ก็นในใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีดังนั้ น, น, นคุณธรรมเหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างก็ถือว่าเป็นธรรมะระดับหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความกล้าหาญขึ้นภายในใจเป็นผู้ไม่กลัวต่อปะโลก คือกลัวต่อการตายแล้วไปบัติบังเกิดในสิ่งในคติที่เรียกว่าทุกขติเพราะธรรมะแต่ละข้อนั้นเป็นธรรมะปฏิบัติในชั้นปิดประตูจตุรบายเปิดประตูสุขทั้งในชีวิตปัจจุบันและทั้งชีวิตในการพายาคหนา้าในแง่ของผู้ปฏิบัติธรรมะ เมื่อร่างกายจะถึงที่ตายท่านจะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองได้ย้ายจากกระตอบตึกเล็กอยู่ปร า, าสาทีกสนวดบาลีท่านใช้คำว่าทำลายภาชนะดินไปใช้ภาชนะทองคำซึ่งหมายความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับคนที่มีบุญกุศลอันได้กระทำเอาไว้ ในชั้นี้จึงเป็นการช่วยให้เกิดความกระหายขึ้นอีกระดับหนึง่งอีกระดับหนึ่งนั้นคือการถึงพระรัตนตรัยที่แท้จริงในแก่การพยายามปฏิบัติสัมผัสให้สัมผัสคุณของพระรัตนตรยัยเช่นคุณของพระพุทธเจ้าสัมผัส้วยการเสริมสร้างปัญญาให้เพิ่มขึ้น ใช้ปัญญาในการดํารงชีวิตมีความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจต่อตัเองบุคคลอื่นได้มองคนอื่นสัตว์อื่นด้วยความกรุณาปรารถนาที่จะช่วยขจัดปัดจจ่าความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นหรือบางครั้งบางคราวแม้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะช่วยได้ก็ตั้งความปรารถนาที่จะเห็น บุคคลเหล่านั้นหลุดพ้นไปจากภัยอันตรายอย่างที่สวดสาธยายแพรเมตตาแพรพรมิหารกันว่าเพราะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงหลุดพ้นจากทุกข์เถิดแม้การทําใจได้ในชั้นนี้ก็ถือว่าประกอบด้วยกรุณย์อย่างน้อยก็แพ่ไปในบุคคลนั้นในสัตว์เราไั้ ผลเด็นได้ประจักษ์ชัดก็คือว่ากรุณาที่บางเกิดขึ้นได้ทาหน้าที่ขจัดวิหิงสาคือความเบียดเบียนซึ่งมักจะมีมากผิดปกติภายในใจคนเวลาประสบพบเห็นกับความทุกข์ต่างๆใ น, ในขณะเดียวกันก็ปิดกัน้นความทุกข์ที่เรียกว่าโสกจิต คือจิตที่ถูกครอบงำด้วยความโศกเมื่อเปห็นความทิกข์ปดเดือดร้อนของบุคคลอื่นไว้แต่ก็จะอยู่ด้วยธรรมะคือกรุณาในด้านการถึงพระธรรมที่ถูกต้องที่แท้จริงในชั้นที่เรียกว่าสัมผัสผลจากธรรมะได้นั้นเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้แยกแยะธรรมะของพระพุทธเจ้าออกได้อย่างชัดเจน ทา้งในแง่ที่เป็นกุศลอกุศลและกลางกลงในจันของศีลของสมาธิของปัญญาเป็นต้นมีความพยายามที่จะปฏิบัติขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันจะมากบางน้อยบางให้มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นปรวนีขึ้นสงบขึ้น อะไรที่เป็นโทษเป็นภยัยเป็นทุกข์ก็ดึงกายไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นดึงจิตออกไม่ไปหมกมุ่นคุ้นคิดวิตกกังวลถึงสิ่งเหล่านั้นอันเป็นลักษณะาการเอื้อมไปของจิตการสายไปของจิตในอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตจะในชัน้นนี้บางครั้งบางคราวก็ทงใช้คำว่า ระวังจิตด้วยความไม่ประมาทแต่ไม่ได้หมายความว่าระวังจิตในอารมณ์ทุกอย่างเป็นการระวังจิตเอาไว้ในอารมณ์ที่จะเป็นเชื้อให้เกิดความกำหนักเบื้องหนาจของโลภะด้วยราคะเกิดวความขัดเคืองเบื้องหนาจของโทสะเกิดวความรุ่มหลงเบืองหนาจของโมหะเกิดวความมัวเมาด้วยอำนาจของ ความประมาทหรือขาดสติในชั้นนี้ก็เป็นการดึงจิตออกมาอย่างน้อยก็ช่วรยระยะเวลาน่แล้ว่าผลจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยกระบวนการความเปลี่ยนแปลงของจิตเมื่อจิตตกไปในอารมณ์ที่ไม่ดีก็ต้องระลึกรู้ทันแล้วก็ดึงจิตกลับมาอันที่จริงการปฏิบัติในลักษณะนี้ เป็นการปฏิบัติที่บุคคลใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเช่นจะหยิบอะไรจะจับอะไรหรือจะเหยียบตรงไหนก็ตามบางครั้งก็หดมือหดเท้ากลับมาได้เพราะรู้ว่าถ้าจับท้าเหยียบไปอันตรายก็จะเกิดขึ้นกับร่างกายคนบางคนจึงไม่ค่อยมีการพลั้งพลาด ไม่ค่อยมีการเผอเรอหรือประสบอันตรายเพราะเรื่องเหล่านั้นพระสติสำมภาชัญญะทำหน้าที่ระลึกรู้ในเวลาที่ทันทีทันใดคือไม่ได้ปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นซะก่อนจึงระลึกรู้แต่เป็นการระลึกรู้ก่อนที่อันตรายจะเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของการดึงจิตออก และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าจิตจะต้องมีความสงบ ด, ดังเคยกล่าวอยู่เสมอว่าบทพิสูจน์ในการปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนานั้นใครจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติโดยวิธีใดในสำนักไหนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ต้องดูที่ใจของตนเองว่ากิเลสลดไปบ้างหรือไม่ ถ้ากิเลสยังไม่ลดเลยก็อาจอจะเพิ่มขึ้นก็เป็นการบ่งชี้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติว่าไม่ได้ผลดูไร้ผลเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วถ้าเรามองพระพุทธศาสนาให้แคบเข้าแต่ว่ากินเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติความดีทั้งหลาย บุคคลอาจจะมองจากหัวใจพระพุทธศาสนาที่ว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้สมบูรณ์การทําจิตให้ผ่องเผ้วก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเราไม่ทําบาปพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเราทํากุศลก็มาดูที่จิตว่าผ่องแพ้วขึ้นบ้างหรือไม่แต่จิตยังไม่ผ่องแพ้ว หรือกิเลส ท, ที่ยังไม่เคยเกิดเกิดเพิ่มขึ้นมีมาณะความกรดดั่งติดตามมามีการแข่งดีมีการดูถูกดูหมิน่นบุคคลอื่นเป็นต้นติดตามมาเพราะใส่ฐานะความยิ่งใหญ่ของตนเองก็อมองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งว่าผลที่เกิดขึ้นจากการไม่ทําบาปทั้งปวงการทำควากุศลให้สมบูรณ์นั้นไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตไม่พองแพร่ขึ้น ตอไม่ได้จิตผ่องเผ้วขึ้นในชั้นใดชั้นหนึ่งโดยดำ่ดับก็ถือว่านั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะที่แท้จริงในจากการมองในจุดนี้บุคคลอาจจะมองที่ประคุณของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวแล้วก็ได้ว่าปัญญาเครื่องสัสรูที่วังเกิดขึ้นภายในใจของพระพุทธเจ้านั้น พิสูจน์ด้วยอะไรพิสูจน์ด้วยการหมดสิ้นอาสวะกิเลสที่เราเรียกว่าสูสุดโทคือมีความบริสุทธิ์จากนั้นเป็นต้นมาพระพุทธเจ้าทรงมองโลกด้วยความกรุณาเห็นสัตว์โลกทั้งหลายตกอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ซึ่งเป็นภารกิจของพระองค์และบระหันต์ทั้งหลาย จะต้องช่วยเหลือบุคคล น, นั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อจิตใจเป็นเช่นนี้เดินมาได้อย่างนี้ถูกต้องตามทางที่ทรงปฏิบัติและส่งแสดงไว้เช่นนี้ได้บุคคลก็จะมีความกระหายข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดเป็นความก้าหานนั้นแม้จะทรงจำแนกแสดงออกไว้โดยพิสดาร ที่สำคัญก็คือเป็นของสาธารณแก่คนทั่วไปและเป็นฐานรองรับคุณธรรมความดีเบื้องสุขระดับหนึ่งเป็นเรื่องศีลธรรมจริยาระดับหนึ่งเป็นเรื่องอารมณ์ของกรรมฐานอีกระดับหนึ่งก็เป็นผลที่จะพิสูจน์บุคคล น, นั้นพิสูจน์ที่ไหนพิสูจน์ที่ใจของบุคคล น, นั้น ว่ามีความบริสุทธิ์ขึ้นไหมมีความผ่องแผ้วเกิดขึ้นไหมกระบวนการของธรรมะเหล่านี้เมื่อดําเนินไปได้ตามขั้นตอนได้เกิดผลใจของบุคคลก็จะองค์อาจกล้าหาญไม่ครั่งคลามงขามเกรงซึ่งข้อนี้ผู้ปฏิบัติสามารถย้อนกลับไปดูใจกันตัได้เพราใจที่มีความหวาดกลัวมีความสะดุ้ง เป็นใจที่มีกิเลสเพราะใจที่มีกิเลสใจจึงสร้างปัญหาขึ้นมาเช่นว่าเรามีเรื่องที่จะปกปิดมีความผิดที่จะต้องซ่อนเร้นตัวเองเมื่อใครพูดถึงความผิดเรื่องนั้นหรือมีบุคคลที่แสดงตนว่ารู้ความผิดเหล่านั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วยกิจอะไรก็ตด้ ใจของบุคคลก็จะหวาดหวั่นครั่งครั่มความเกลียดแสดงว่าอะไรแสดงว่าใจนนั้มีปัญหาทําไมใจจึงมีปัญหาเพราะใจมีตัวที่สร้างปัญหาคือกิเลสในการปฏิบัติ บ, ตบางอย่างพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนทั้งกระบวนการอย่างนั้นแต่สอนให้บุคคล ส, สงบกิเลสใจที่สงบใจจะไม่สร้างปัญหา ไม่ ใ, ใจไม่สร้างปัญหาใจก็จะไม่มีแผลไม่ ใ, ใจไม่มีแผลใจก็ไม่เส้ยดุ้งใจก็ไม่หวั่นกลายเป็นใจที่องอาจกล้าหาญขนไม่ขั้นคามขามำเกรงอะไรไม่ขาเกรงในชีวิตปัจจุบันไม่ขามเกรงแม้แต่จะต้องตายไปไม่ขามเกรงในเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นดังนั้นคุณธรรมเหล่านี้ จึงเป็นปัจจัยของกันและกันตั้งในชั้นศิลธรรมจัญยาตั้งในชั้นของสมถกรรมฐานในชั้นของวิปัสสนากรรมฐานผลที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากเหตุที่มีปริมาณมากหรือมีปริมาณน้อยแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าเมื่อบุคคลปฏิบัติตามธรรมประธรรมย่อมรักษาบุคคลนั้นเอาไว้ ในที่ทุกสถานในการทุกเือ่ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป